พิจารณากายภาคพิสดารส่วนหลักพิสดารเนี่ยเขาจะนับมาตั้งแต่เกษาผมผมของฉันเกิดอยู่บนสีสษะมีสีดำเป็นมันไม่งอกไม่แก่เป็นเครื่องประดับร่างกายให้ครบท้่วอาการ32ที่เกิดของผมเป็นท่อสำหรับระบายสิ่งโสโครกออกมา ทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์ขนขนของฉันที่มีอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้าก็เป็นท่อทางระบายสิ่งโสโครกออกมาเป็นเหงือเป็นคลออกมาทําให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์ก็ว่าไปตามอาการ32ตามหน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละส่วนหลวงพ่อเคยเดินจงกรมอยู่ที่กุฏิก็พิจารณาไปอย่างนี้ หลักการพิจารณาตามหลักธรรมะท่านให้พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลน่ากเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามแต่เรามาพิจารณาแบบตรงกันข้ามว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่สวยงามแข็งแรงสมบูรณ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันแยกเป็นสามิติมิติหนึ่งพิจารณาอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายนี่ จึงได้ข้อมูลมาคุยให้ใครต่อใครฟังเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆก็จะได้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นอันดับความเป็นไปของจิตเนี่ยในขณะที่เราตั้งใจพิจารณาอยู่มันเป็นภาคปฏิบัติและมันสามารถแยกเป็นสามิติได้ถ้าหากว่าร่างกายหายไปก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่มันจะหยุดนิ่งไม่ไหวติงสภาวะทั้งหลายเป็นอารมณ์ จะมาวนอยู่รอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตไม่ได้วันไหวนักเทศทั้งหลายยังไม่เคยมีใครเทศเลยว่าในเมื่อจิตไปสู่จุดที่ไม่มีร่างกายตัวตนสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ในช่วงนั้นจะไม่มีภาษาสมมุติบัญญัติสักแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้แล้วก็เป็นการรู้เห็นในขณะที่จิตอยู่ในสมาถะเห็นแล้วไม่มีความคิดปรุงแต่ง เห็นอยู่เฉยๆทำไมมันจึงไม่มีความคิดเราก็มาได้ความว่าเพราะมันไม่มีเครื่องมือจิตจะมีอาการเห็นความคิดได้ต่อเมื่อการสัมพันธ์กับร่างกายมันไม่ตัดขาดจากกันถ้ามันตัดขาดจากกันแล้วมันคิดไม่เป็นหมายเหตุของการพิจารณากายภาคพิสดาร หลวงพ่อได้ฝึกการสะกดจิตรักษาโรคจากดรไมเคิลแฟรงฟอร์ดซึ่งหลวงพ่อนับถือเป็นพ่อบุญธรรมศึกษาแบบวิธีการฝึกสะกดจิตเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆของดรไมเคิลแฟรงฟอร์ดซึ่งหลวงพ่อเขียนบันทึกไว้ในภาคผนวก